ก็ให้ญาติโยมทั้งหลายตั้งใจเพื่อเป็นปฏิบัติบูชาทำสมาธิเพื่อให้เกิดความสงบในทางใจสมกับที่พวกเราได้เสียสละเวลามาจากบ้านเรือนกิจการงานเพื่อ ให้สมเร็จเป็นผลเป็นประโยชน์อย่างจริงจังก็คือการนั่งสมาธิด้วยความตั้งใจอย่างดียิ่งผลจะได้เกิดขึ้นในจิตใจของเราหากว่าเราได้ตั้งใจอย่างเต็มที่แล้วผลที่จะเกิดขึ้นทางใจนั้นย่อมเกิดขึ้นแก่เราได้ การตั้งใจที่จะเสียสละการปฏิบัตินั้นอยู่ที่ใจของเราเพราะว่าถ้าใจของเรานั้นตั้งใจที่แน่วแน่การที่จะให้เกิดความสงบก็เป็นสิ่งที่ไม่ยากและไม่เหลือวิสัยและหากเราทำได้สิ่งนี้ก็จะเป็นสิ่งสำคัญที่จะ ติดอยู่หรือฝังสนิทติดอยู่ที่ใจของเราตลอดไปไม่ว่าจะเป็นชาตินี้และเป็นชาติต่อไปการทำสมาธินี้ก็จะมีผลไปตลอดจึงสมควรแก่การที่พวกเราจะต้องเสียสละให้เกิดผลอย่างจริงจังต่ <c oughs> อนี้ไปก็ให้ว่าตามอาตมาทุกคน ข้าพเจ้าและลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณปิจามารดาคุณครูบาอาจารย์จงมาดลบันดานให้ใจของข้าพเจ้า จงรวมลงเป็นสมาธิพุโทโธธรรมโอสังโฆพุโทโธธรรมโอสังโฆพุโทโธธรรมโอสังโฆพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธนี่ก็ให้นึกไว้ในใจนั่งคัตตมาศ ขาเบื้องขวาทับขาเบื้องซ้ายมือเบื้องขวาหงทักมือเบื้องซ้ายวางไว้บนตักหลับตานึกพุโทโธอยู่ในใจเมื่อธรรมะที่อาจะมาแสดงไปแล้วเข้าถึงใจเกิดความสงบพุโทโธไม่ต้องนึกก็ได้กำหนดไว้แต่ใจอย่างเดียวเพราะว่า ใจของเรานั้นถ้าหากจะพัฒนาให้ยิ่งขึ้นก็จะต้องจากชั้นต่าไปหาชั้นกลางจากชั้นกลางไปหาชั้นสูงชั้นต่านั้นคือการบริกรรมเรายังบริกรรมพุทโธพุทโธอยู่ถือว่าเป็นจิตที่ยังอยู่ในขั้นต่า เมื่อเราไม่ต้องนึกพุโทโธแต่ใจนั่นก็ยังสงบอยู่ได้ก็ชื่อว่าเลื่อนชั้นขึ้นมาชั้นกลางถ้าเรากําหนดจิตเมื่อไรก็ได้สงบเมื่อไรก็ได้อย่างนั้นถือว่าชั้นสูงการพัฒนาจิตจากชั้นต่ําและชั้นกลางชั้นสูงนั้นจะต้องเป็นไปตามขั้นตอน เราจะทำทีเดียวให้ถึงชั้นสูงไปก็ย่อมไม่ได้ต้องมีขั้นตอนที่จะต้องทำกันขั้นตอนที่จะต้องทำนั้นก็คือในเบื้องต้นก็นึกพุโทโธดังกล่าวแล้วเพื่อที่จะหล่อเลี้ยงจิตนี้ให้มีความเที่ยงและความเป็นหนึ่งเพราะการบริกรรมพุโทโธพุโทโธนั้นเป็นสิ่งหนึ่ง ที่จะประคับประคองให้จิตงั้นดำลงอยู่หรือไม่ฟุ้งส่านไปตามอารมณ์ต่างๆถ้าหากว่าเรากําหนดจิตอยู่นึกพุทโธไปเรากําหนดจิตอยู่แล้วพุทโธ ท, ที่ไม่ต้องนึกนั้นก็เมื่อจิตมันอยู่หรือจิตเกิดความเที่ยงมั่นจะมีอยู่ระยะหนึ่ง เมื่อนึกพุโทโธไปแล้วจะมีความสงบอยู่ในจิตถ้าเป็นเช่นนั้นเราก็ทดสอบเราก็หยุดการ น, นึกพุโทโธเสียแต่ว่าในขณะที่ยังฟังธรรมะอยู่นั้นธรรมะนี้จะเข้าไปช่วยหล่อเลี้ยงให้จิตนี้ตั้งอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องนึกพุโทโธเพราะเป็นเสียงธรรมะที่ เข้าทางหูรู้ถึงใจพระธรรมะนี้เป็นธรรมะพิเศษคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นคําสอนที่มีความสวยมีความละเอียดอ่อนซึ่งสามารถที่จะแทรกซึมเข้าไปสู่จิตใจได้เพราะการที่จะมีอะไรเข้าไปสู่จิตใจได้นั้นมันก็มีจยู่หลายอย่าง อารมณ์ต่างๆมันก็แทรกซึมเข้าไปทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งกลับกลายไปเป็นอุปทานธรรมะที่แทรกซึมเข้าไปทีละเล็กทีละน้อยก็กลับกลายเข้าไปเป็นวัสนาบา ร, รมีหรือกลับกลายเข้าไปเกิดความชุ่มเย็นเกิดความมั่นคงเกิดความสงบเรียกว่าเข้าไปคนละทามและมีผลเป็นคนละอยา่าง อารมณ์ที่เราคิดเรานึกนับไปตั้งแต่ความโลภความโกรธความหลงเรานึกอาคาตพยาบาทใครๆนึกอยากได้อะไรนึกถึงความไม่พอใจต่างๆหรือความพอใจต่างๆมันก็จะแทรกซึมเข้าไปแล้วกลายไปเป็นอุปทานยึดมั่นอันนั้นเรียกว่าเป็นการสะสมกองกิเลส เมื่อเวลาที่ธรรมะเข้าไปสู่ใจนั้นใจของเรานี้ก็จะเปลี่ยนแปลไปคืไหมความว่าเปลี่ยนไปเกิดความสบายเกิดความสบายนั้นถือไม่ได้ไปเป็นอุปทานไปเป็นไปเป็นสิ่งที่ถอนอุปทานออกแก้อุปทานออกเพราะธรรมะยิ่งเข้าไปมากเท่าไรนั้น สามารถที่จะถ่ายถอนแก้อุปทานออกไปได้เพราะฉะนั้นผู้ที่มีความสนใจหรือผู้ที่เป็นผู้คงแก่ธรรมจึงพยายามที่สุดที่จะให้เสียงธรรมะเข้าสู่ใจของตนเมื่อเสียงธรรมะไม่มีก็ใช้พุทโธเป็นเสียงธรรมะแทนก็จะ เป็นสิ่งที่ได้รับความสูงทราบจากธรรมะขององค์สมเด็จพระสมัมพุทธเจา้าเมื่ อ, นอคนเราตายไปมันมีจิตดวงหนึ่งที่จะต้องออกจากร่างอันนี้จิตดวงนั่นก็คือเป็นจิตหรือเรียกว่าเป็นตัวของเราหรือเรียกว่าเป็นจิตที่เราได้ใช้กันอยู่จิตดวงนี้แหละ ที่มีความสำคัญยิ่งนักสำหรับม น, นุษย์เราผู้ ท, ที่มีโมหะอวิชชาไม่เข้าใจในข้อนี้ก็ไม่ก็ไม่รู้เรื่องเมื่อไม่รู้เรื่องก็คิดว่ามันไม่มีคือไปคิดเอาเองว่าไม่มีแต่แท้ที่จริงแล้วมันมีอยู่จริงๆในในเจ้าตัวของเรานี่คือมันมีใจเนี่ยเป็นตัวของเราอยู่จริงๆ เพราะตัวใจอันนี้แหละที่เราต้องสร้างความดีหนักหนากันอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะมีตัวใจนี่แหละเพราะถ้าหากว่าเราได้สร้างความดีมากเข้าตัวใจนี้จะมีการสะสมความดีการสะสมความดีนั้นเรียกว่าวัตสนาหรือเรียกว่าบารมีที่จะสะสมความดีเหล่านี้ ไว้อยู่ที่ใจของเราให้เต็มเปี่ยมเมื่อ <Yeah. S 1> พู้ที่คงแก่ทำแล้วเป็นผู้ที่สนใจอ่านหนังสือธรรมะฟังเสียงธรรมะนึกพุทโธเข้าไปสู่ใจนั่น <Yeah. S 1> เรียกว่าผู้นั้นได้พยายามที่จะนำธรรมะเข้าสู่ใจให้มากที่สุด ย่อมเป็นผลเป็นประโยชน์แก่ผู้นั้นอย่างมากมายมหาศาลยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดพระในโลกนี้ถ้าเราพิจารณาดูแล้วเราก็จะรู้ได้ทันทีว่าถ้าเราไม่มีธรรมะมีแต่โลกลุ่นล้วนเราจะเป็นยังไงเราก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นสารประโยชน์ให้แก่ ใจของเราเลยแม้สักเข้าปีกรินถึงแม้ว่าจะมีบ้านหลัง ใ, ใหญ่ใหญ่มีรถยนต์มีเงินทองมากๆสิ่งเหล่านั้นก็ไม่ได้มาเป็นประโยชน์ในจิตนั้นสักนิดหนึ่งก็หาไม่เพียงแต่เป็นการบำรุงบำเรอร่างกายอันนี้ไปชั่วระยะชีวิตหนึ่งเท่านั้น สิ่งเหล่านั้นจะเป็นเงินทองเข้าของมากมายจะเอามาเป็นสมบัติของใจเหล่านั้นมันเอามาไม่ได้เลยเรียกว่าไม่มีหนทางที่จะเป็นสมบัติของใจได้แต่ถ้าหากว่าเราได้มาปฏิบัติธรรมะเช่นคาสั่งสอนของพระพุทธศาสนานี้เราก็จะสามารถ ที่จะนำเอาไปเป็นประโยชน์ในใจของเราได้เราจะให้ทานสักหน่อยหนึ่งเราจะรักษาศีลสักนิดหนึ่งเราจะภาวนาสักหน่อยหนึ่งเพียงเท่านั้นก็เป็นสมบัติแล้วคือเป็นสมบัติแก่ตัวของเราคือใจของเราแล้วแม้จะสักนิดหนึ่งก็ยังมากกว่าเงินเป็นร้อยเป็นพันล้าน ที่มีอยู่พระเงินเป็นร้อยเป็นพันล้านนั่นไม่ได้เป็นประโยชน์กับจิตนั่นสักนิดหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นการปฏิบัติที่เราระทำนี้จึงถือว่าเราเป็นผู้มีหูตาสว่างความสว่างของจิตใจลือของเรานั่นไม่ได้หมายความว่า เราเอาแสงไฟมาเป็นแสงสว่างหรือเราจะเอาพระอาทิตย์พระจันทร์มาเป็นแสงสว่างก็หาไม่แต่ว่าแสงสว่างที่จะเกิดขึ้นจากใจนั้นเกิดขึ้นจากสติและปัญญาสติปัญญาที่เกิดขึ้นก็คือมองเห็นชัดเจนว่าใจของเรานี้มีจริง ถ้าเรารู้แล ว, ว่าใจของเรานี้มีจริงเราได้ทําสมบัติให้แก่ใจของเราเราก็ถือว่าเราเป็นผู้มีความอุ่นใจเราก็ได้สิ่งที่เราต้องการแล้วผู้คนทั้งหลายที่พากันเหินห่างธรรมะหรือไม่ปฏิบัติธรรมะนั้นเพราะเหตุใดเพาเหตุเขาไม่เข้า เขาไม่เข้าใจว่าเรามีใจและมีสิ่งที่จะต้องไปป่อเกิดในที่ต่างๆนั้นเขาไม่รู้คือไม่มีความรู้ว่าจะเป็นเช่นนั้นเพราะเหตุว่ามีอวิชชาเป็นเครื่องหุ้มหอ่อจิตใจของเขาเขาก็เลยไม่เข้าใจและไม่รู้เรื่องเมื่อไม่รู้เรื่อง ก็ไม่ได้ไปศึกษาที่ไหนแล้วก็ไม่ได้ไปค้นคว้าที่ไหนเมื่อเป็นเช่นนั้นเขาก็ยิ่งมืดมนหนักลงไปถ้าหาว่าศึกษาค้นคว้าแต่ไปศึกษาค้นคว้าในทางที่ผิดยิ่งค้นไปเท่าไหร่ยิ่งไปแสวงหาเท่าไหร่ก็หาไม่ได้คือไม่มีทางที่จะหาได้ ถ้าหากว่าไม่มาค้นคว้าในทางพระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นอันว่าหมดหวังเพราะเหตุว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ทรงตรัสว่าเอโกะยังพิกเทเวมัคโคโลก่อนพิสุทั้งหลายผลทางมีทางเดียวเท่านั้นเทว่าผลทางมีทางเดียวเท่านั้น ก็ได้แก่การปฏิบัติในทางธรรมะคืออริยมรรคมีเองคือมีหนทางทางเดียวถ้าใครไม่มาเดินทางนี้ผู้นั้นก็ถือว่าผิดไปแล้วไม่ว่าผู้นั้นจะอยู่ไหนอยู่ที่ใดเป็นคนประเภทไหนชนิดใดก็ไม่สามารถที่จะเดินทางถูกได้แต่คนที่ได้เข้ามา แต่ทีมบัดในทางธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนี้ถือว่าเป็นผู้ที่มีโชคหรือเป็นผู้ที่ได้มีความดีเหลือหลายเรียกว่าผู้นั้นมีไม่ทราบว่าจะพูดว่าอย่างไรก็พูดได้แต่เพียงว่ามีโชคดีเพราะได้รับธรรมะ และปฏิบัติธรรมะนับเป็นเดือนนับเป็นปีนักเป็นหลายปีเรียกว่าปฏิบัติกันมาเป็นการสม่ำเสมอปฏิบัติกันมาเรื่อยเขาปฏิบัติเพียงวันเดียวเวลาเดียวก็ยังได้สังมากมายเรียกว่ามีนิสัยยาได้สังเยอะแต่เราปฏิบัติมาเป็นปีหลายปีอย่างนี้ ถือว่าเราได้มหาศาลซึ่งธรรมะที่เราปฏิบัติอันที่เราได้เคยทํามานั้นไม่ใช่ว่าปฏิบัติแล้วก็สูญเสียไปปฏิบัติแล้วก็ยังอยู่ที่ใจของเราอยู่นั่นครั้งที่สองก็เพิ่มขึ้นครั้งที่สี่ก็เพิ่มขึ้นครั้งที่ร้อยก็เพิ่มขึ้นครั้งที่หลายร้อยหลายพันก็เพิ่มขึ้น ไม่ใช่ว่าปฏิบัติแล้วมันก็หายไปปฏิบัติแล้วมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตามลำดับเรื่อยมาไม่ว่าเราจะทำไปกี่ร้อยปีธรรมะที่เราปฏิบัติอยู่นั้นก็จะเพิ่มพูนเป็นทวีคูณเรื่อยเรื่อยขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องของการปฏิบัติที่เราได้กระทำกัน จึงเป็นเรื่องที่มีสาระมีประโยชน์อันยิ่งใหญ่ไพศาลถ้าหากว่าเราได้มีศรัทธามีความเชื่อมีความตั้งใจกะทำอยู่อย่างนี้โดยไม่ลดละตลอดชีวิตที่เรามีอยู่ผลประโยชน์จะได้ยิ่งใหญ่เพียงใดเหลือที่จะกันานานับ ศรัทธาที่เกิดขึ้นในจิตนั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราอยู่ยงคงประพันธ์เพราะว่าการปฏิบัตินี้มานมันก็มีอยู่มากมันภายในมันภายนอกมันก็คอยมาฉกฉวยโอกาสที่จะเอาให้เราต้องล้มเหลวการกระทำพวกมันนั้น มันไม่รู้ว่าเราจะกล่าวว่าอย่างไรเพราะมันมีร้อยแปดพันประการที่จะมาคอยขัดขวางการดาเนินการของเราความที่เกียดที่เกิดขึ้นกับตัวเราก็เป็นมารอันหนึ่งแล้วความที่เราผัดวันประกันพรุ่งก็เป็นมารอันหนึ่งการที่มีคนมากล่าวร้ายเราก็เสียใจตามเขาไปด้วย นี่ก็เป็นมารประการหนึ่งและเราพากันเห็นผิดเป็นชอบคือคิดว่าจะทําไปทําไมเลิกทำซะดีกว่าก็่นี้เรียกว่าเป็นมารร้ายกาศมารเหล่านี้ไม่ใช่ว่ามันจะไม่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นได้แก่ทุกๆคนทุกคนที่มากระทํานี้ มันก็คอยมาจองล้างจองแผานอยู่แล้วมันมาคอยที่จะสะกิดเราอยู่เรื่อยไม่ให้เรานั้นได้กระทําได้ตลอดแต่ว่าความอดทนของเรามีอยู่ความภาพเพียรของเรามีอยู่ความอุตสาหะของเรามีอยู่พวกมารเหล่านี้แม้มันจะยิ่งใหญ่แค่ไหนมันก็สู้เราไม่ได้ เพราะมันสู้เราไม่ได้เราก็มาวัดได้เราก็นั่งสมาธิได้เราก็จำสิ่งได้ที่เราทำได้อย่างสบายๆนี่เพราะมันมันสยบหมดแล้วไม่กล้าที่จะถือขึ้นมาเพื่อที่จะมาต่อกรกับเราเราจึงสามารถที่จะบาเพ็ญได้โดยตลอดรอดฝังนา เมื่อเราชนะมารได้แล้วครั้งที่หนึ่งต่อไปครั้งที่สองเราก็ชนะต่อต่อไปครั้งที่สามเราครั้งที่ต่อไปเราก็ชนะต่อไปส่วนการที่เป็นบุคคลผู้แพ้เมื่อแพ้ที่หนึ่งที่สองมันก็แพ้ต่อไปมันก็แพ้เรื่อยไปมันก็เป็นที่น่าเสียดายสำหรับผู้ที่แพ้แล้วไม่สามารถที่จะ ประคับประครองตัวของตนดำเนินเพื่อความก้าวหน้าของตนต่อไปได้แต่อย่างไรก็ตามเมื่อแพ้แล้วกลับคืนมาชนะอีกพระพุทธเจ้าก็ยังยกย่องสรรเสริญว่าเมื่อต้นคดปลายกรงก็ยังถือว่าใช้ได้เมื่อก่อนเราเคยแพ้แก่มาแต่ว่าปัจจุบันเราชนะเสแล้วก็หมายความว่า ต้นคดปลายไม่ลงก็ยังใช้ได้การที่เราเกิดมาเป็นคนคือเป็นมนุษย์มีรูปร่างเป็นหญิงเป็นชายอย่างนี้ถือว่าเป็นลูกหรือเป็นตัวกระสัน ง, งานหรือเป็นผู้ที่มีสิ่งที่ประสาน ง, งานให้ถ้าเราไม่มีรูปร่างอันนี้ เราก็ไม่มีตัวประสานงานเราก็ไม่รู้จะทำยังไงเรามีแต่ใจอย่างเดียวเราไม่มีกายไม่มีตัวประสานงานเราก็ไม่สามารถที่จะฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้หมายความว่าร่างกายไม่มีขาดตัวประสานงานไปถ้าหากว่าเรามีแต่ใจก็ล่องลอยไปในที่ต่างๆ มันก็ไม่ได้ฟังธรรมก็ไม่ได้รู้ข้อปฏิบัติมันก็ไม่เข้าใจอะไรก็ไปตามวิญญาณที่มันจะล่องลอยไปตามอ่ะตามเรื่องของมันแต่ว่าเวลานี้เราไม่ได้เป็นเช่นนั้นเรามีร่างกายอันนี้สําหรับเป็นตัวประสานงานแล้วนี่ร่างกายอันนี้จึงถือว่าเป็นคุณสมบัติ หรือเรียกว่าเป็นสมบัติอันล้ำค่าอันนั้นถ้าไม่มีร่างกายก็เรียกว่าขาดสมบัติเรามีร่างกายก็เรียกว่าเรามีสมบัติสมบัติอันนี้เราได้รับมาจากบิดามารดาแล้วเราก็มีครบท้วนบริบูรณ์อาการสามสิบสองก็เรียกว่าเรามีครบเมื่อร่างกายมีเป็นผู้ประสานงานประกอบพร้อมกับที่เรามี ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนเราก็สามารถที่จะใช้ตัวประสานงานตัวนี้ให้เกิดเป็นประโยชน์ขึ้นบางคนนั้นไม่รู้จักใช้ตัวประสานงานคือร่างกายอันนี้เอาไปใช้ในทางที่ผิดไปเกิดบาปเกิดกรรมเกิดมีการทำผิดศีลธรรม ไปขโมยบ้างไปปลดบ้างไปฆ่าสัตว์ฆ่ามนุษย์บ้างไปกินเหล้าเมายาบ้างเหล่านี้รวนแล้วแต่ใช้ร่างกายไปในทางที่ผิดเมื่อใช้ร่างกายไปในทางที่ผิดไม่มีประโยชน์อันใดสำหรับผู้นั้นที่เกิดขึ้นมาเมื่อพวกเราทั้งหลายรวบรวมกำลังสติและปัญญาพร้อมแล้ว แล้วแหละเราได้ทำจิตขึ้นมาแล้วอย่างนี้เราก็ควรที่จะพัฒนาจิตนี้เป็นขั้นตอนต่อไปขั้นตอนต่อไปนั้นเราจะต้องเข้าใจอยู่ว่าเมื่อจิตไปถึงอุปจารสมาธิคือจิตที่เข้าไปสู่ความเป็นหนึ่งโดยที่เราสามารถกำหนด ให้เป็นไปได้นั้นเรียกว่าอุปจารสมาธิทำอย่างไรเราจึงจะทำจิตของเราเข้าขั้นนี้ได้แต่อุปจารสมาธินั่นจะต้องมาจากคัินกะสมาธิก็เหมือนกับชั้นปฐมหกก็ต้องมาจากชั้นปฐมห้าก็เหมือนกันนั่นแหละจิตที่จะเข้าสู่อุปจารสมาธิ ก็ต้องมาจากคณิกะสมาธิคณิกะสมาธินั่นเป็นสมาธิที่อยู่ในขั้นต่ําแต่อาศัยภาวิตโตหุริคโตเจริญให้มากกระทําให้มากทําแล้วก็ทําอีกทําแล้วก็ทําอีกอยู่ที่เก่านั่นแหละเหมือนกับคนเขียนตัวกไก่ก็เขียนอยู่นั่นแหละจนกว่ามันจะจําได้ เหมือนแต่คณิกะสมาธิก็ทำอยู่ที่ตรงเดียวนั่นแหละในที่สุดก็จะกลับกลายมาเป็นอุปจารสมาธินี่เรียกว่าเป็นขั้นตอนขั้นตอนที่เป็นอุปจารสมาธินั่นเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญรือเรียกว่าเป็นสถานที่ใช้การได้อย่างอุปอย่างคณิกะสมาธินั้นเป็นสมาธิ ที่เป็นของธรรมดายังใช้อะไรไม่ได้เหมือนกันกับเด็กเด็กที่เกิดมานั้นมันยังเป็นเด็กอ่อนจะไปใช้ให้มันแตกถามใช้ให้มันทางานจะไปใช้ได้อย่างไรใช้ไม่ได้เพราะมันเด็กอ่อนก็มีต่ว่าเราจะต้องเลี้ยงมันเท่านั้นเราจะต้องเลี้ยงมันถ้าเราไม่เลี้ยงไม่ดูแล มันก็โตไม่ได้ฉันใดก็ดีขณิกะสมาธิก็เปียกเหมือนเด็กอ่อนเราต้องดูแลมันอยู่ตลอดคือพยายามที่จะขวนขวายเพ่งเล็งและใช้สติใช้ปัญญาใช้ความห่วงใ ย, ยอะไรที่เราจะคือไม่ใช่ห่วงใ ย, ยอะไรคือความสนใจือใช้ความสนใจ ที่เราจะสนใจอยู่ตลอดว่าเราควรจะนั่งสมาธิว่าเราควรจะทำสมาธิว่าเราควรจะบาเพ็ญสมาธิให้อยู่อย่างนี้เรียกว่าเรามีความสนใจในเรื่องของคณิกาต่อมาเมื่อเป็นอุปจาระแล้วถือว่าเป็นผู้ใหญ่คราวนี้เราใช้งานได้สามารถที่จะควบคุมจิตใจของเราได้ด้วย สามารถที่จะทาความเย็นใจนี้ให้เกิดกับคนอื่นได้อีกด้วยอย่างนี้คือผลของอุปจารสมาธิอุปจารสมาธินั้นเป็นสมาธิที่มีขั้นตอนชั้นสูงแล้วและสามารถที่จะนําจิตนั้นเข้าสู่ภวังได้ทุกขณะเวลา การเข้าสู่ระวังนั้นสามารถที่จะใช้ผล ป, ประโยชน์ภายในระวังนั้นก็ได้เรียกว่าจิตเป็นอุปจารสมาธิส่วนจิตที่เป็นขณิกสมาธินั้นจิตก็เข้าระวังเหมือนกันแต่ว่าเข้าไปแล้วทำอะไรไม่ได้ก็ไปอยู่เฉยๆแต่จิตที่เป็นอุปจาระนั้น เมื่อเข้าผวังไปแล้วก็ทำสิ่งต่างๆในผวังนั้นได้ผวังนั้นก็คือการเหมือนกับเรานอนหลับก่อนแต่ที่เราจะหลับนั้นจิตเรานี่จะต้องเข้าผวังซะก่อนถ้ายังไม่เข้าผวังนั้นเราจะหลับไม่ได้เป็นอันขาดก็เรียกว่าหลับแต่ตาแต่ใจมันไม่หลับนอนตลอดคืนก็ไม่ได้อะไร ก็เรียกว่าไม่ได้แรงอะไรเพราะว่าหลับแต่ตาใจมันไม่หลับเพราะจิตมันไม่เข้าผวังพอจิตเนื่อพอนอนหลับนาทีเดียวหลับนั่นก็สบายเพราจิตมัเขา้าผวางไปแล้วแต่จิตเข้าผวังที่เรานอนหลับนั่นเราจะไปรู้สึกเอาเมื่อตอนเราตื่นในที่เรานอนหลับในผวังอันนั้นเราจะทำอะไรไม่ได้เลย นอกจากปล่อยมันไปเลยตามเลยเฉยๆพราฉะนั้นประดุจการนอนหลับนั้นจึงเป็นเรื่องของคณิกะสมาธิเหมือนกับเรานอนหลับแต่ว่านอนหลับที่เราทําเป็นคณิกะสมาธินั้นแตกต่างจากเรานอนหลับก็ตรงที่เรารู้รู้ว่าจิตมันสบาย เวลานั่นเกิดปิติเกิดความอิ่มเอิบเกิดความสบายเกิดความผ่องใสเกิดความเบาเกิดความโล่งโปร่งเกิดความระเกียติอ่อนต่างๆเนี่ยรู้ในขณะสมาธินั่นรู้แต่ว่าในการนอนหลับนั่นไม่รู้หรอกไปรู้เอาเมื่อตืน่นอันนี้ที่เปรียบเทียบให้ฟังนี่เพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจง่าย เพระการเข้าใจในเรื่องของสมาธิแล้วนี่เราสามารถที่จะไปทำความพัฒนาให้แก่ตนด้นเมื่อเราทำคณิกะสมาธิจนกระทั่งไปถึงอุปจระนั้นอุปจระย่อมมีกระแสจิตพระอุปจระนั้น ม, มีพลังจิตแล้วจึงจะสามารถทำงานได้เหมือนกันกันกบเด็ก เมื่อมันโตขึ้นมาเป็นหนุ่มแล้วเป็นสาวแล้วกำลังวังชาก็เกิดขึ้นไม่ใช่เกิดขึ้นแต่กำลังวังชาอย่างเดียวเกิดขึ้นทั้งสติเกิดขึ้นทั้งปัญญาเกิดขึ้นทั้งความเป็ความที่จะรักษาตัวเองควบคุมตัวเองให้เป็นบุรุษให้เป็นสตรีที่มีความรับผิดชอบ ในตัวของตนเองได้เต็มที่ในเมื่อเป็นหนุ่มเป็นสาวคือโตขึ้นมาแล้วข้อนี้เป็นข้อเปรียบเทียบคือเปรียบเทียบถึงเรื่องอุปจารสมาธิอุปจารสมาธิก็เปรียบเหมือนคนหนุ่มคนสาวที่มีกำลังเพราะฉะนั้นในจิตนั้นจึงมีพลังอันหนึ่งพลังอันนั้นอ่ะมันได้รวมตัวกันแล้ว เมื่อรวมตัวกันแล้วเป็นพลังแล้วมันก็เกิดกระแสกระแสของจิตนั้นเป็นกระแสที่มีความละเอียดคมยิ่งคือสว่างยิ่งกว่าแสงพระอาทิตย์แสงพระจันทร์ยิ่งกว่าแสงดวงไฟแล้วก็สว่างยิ่งกว่าสิ่งใดทั้งหมดนั่นคือกระแสจิตของอุปจารสมาธิ ที่ว่าสว่างนั้นมันสว่างแหลมคมเหมือนกันกันกบภูเขาที่บางหน้ากระแสจิตนี้สามาร ถ, ถาผ่านภูเขาได้หมดทุกๆลูอันนี้คือกระแสของอุปจารสมาธิผู้ที่นั้นต้องการจะเอาไปใช้งานโดยที่จะต้องมีภารตุล ะ, ท, ะที่จะต้องทำอยู่มีกิจการงานบ้านเรือน รับราชการทำไรไถนาหรือทำการค้าขายหรือทำสิ่งใดก็ตามอุปจารสมาธิสามารถที่จะช่วยได้ช่วยงานนั่นขึ้นมาได้อีกแทนที่เราจะทำได้เพียงห้าสิบเราทำได้ถึงสอง้อเรียกว่าเพิ่มไปถึงร5อยห้าสิบเปอร์เซ็นจากคนธรรมดาที่ไม่ได้มีอุปจารสมาธิ ผู้ที่มีอุปจารสมาธินั้นสามารถที่จะคิดค้นคว้าหรือสามารถที่จะควบคุมจิตของตนเองได้ดีกว่าบุคคลผู้อื่นนั่นถึงร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นเมื่อเป็นเช่นนั้นประโยชน์ทางโลกีคือประโยชน์ทางที่จะเรียกว่าคารวะครองเรือนก็ดีหรือที่จะเป็นพระสงฆ์องค์พระเจ้าก็ดี ก็สามารถที่จะควบคุมจิตใจของตนได้ให้เดินไปในทางที่ถูกและทางที่ควรก็ด้วยเรื่องของอุปจารสมาธิสามารถควบคุมได้นอกจากจะควบคุมกิจการงานต่างๆแล้วในขณะที่มีอะไรเกระรุมกันเข้ามามีเหตุการณ์ต่างๆรุมกันเข้ามาทั้งสี่ทิศ จิตนั่นก็สามารถหลบอารมณ์เหนือลหลบภัยอันตรายต่างๆที่กำลังเข้ามานั่นได้เป็นอย่างดีไม่ต้องไปเดือดร้อนกับสิ่งเหล่านั้นนี่คือเรื่องของอุปจารสมาธิเรื่องของอุปจารสมาธิอันนี้ก็เพียงเท่านี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนา ยังใช้อุปจารสมาธินี้บําเพ็ญวิปัสนาอีกด้วยการบาเพ็ญวิปัสนานั้นก็คือการบาเพ็ญอริยสัจสี่ประการมีทุก์มีสมุทยัยนิโรธและมรรคซึ่งวิปัสนานี้ถ้าดําเนินมาถึงขั้นนี้ก็เรียกว่าเป็นขั้นที่สุดหนือขั้นที่สูงสุดที่จะ กำจัดกิเลสกันต่อไปอีกนอกการที่ใช้อุปจารสมาธิพิจารณาอริยสัจนั้นที่ท่านแสดงว่าทุกทุกนั้นก็คือความเกิดแก่เจ็บตายผูท้ที่เกิดแก่เจ็บตายก็คือตัวผู้ประสานงานนั่นแหละเรียกว่าร่างกายอันนี้การที่พระพุทธอ ง, องค์ได้ทรงตรัสถึงทุกขสัจนั้น พระองค์ทรงตรัสว่าปริโยยันติเมพิกเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายทุกควรกําหนดรู้การกําหนดรู้ที่จะกําหนดรู้ได้นั้นก็ต่อเมื่อเขาได้ศึกษาเสียก่อน mm hmm. การศึกษานั้นก็เหมือนกันกับผู้เรียนหนังสือการเรียนหนังสือ น, นั้นคือการศึกษา เมื่อศึกษาแล้วเขาก็กำหนดรู้ได้เมื่อศึกษามันแล้วเปิดหนังสือออกมาก็อ่านออกหมดเมื่อจับปากกามาถึงเขียนลงไปก็สาเร็จตามความต้องการหมายความว่าเป็นผู้ศึกษามาแล้วก่อนที่จะกำหนดรู้ฉันใดก็ดีการที่จะทาจิตนี้ให้ถึงอริยะบุคคลก็จาเป็นที่จะต้องศึกษา องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสแก่ท่านปัญจวัคคีว่ารูปังพิฆเวอนัตตาดูก่รที่สุดทั้งหลายรูปไม่ใช่ตนนี่คือการให้ท่านปัญจวัคคีศึกษาศึกษาไม่ต้องศึกษาที่ไหนก็ศึกษาในตัวของเราคือศึกษาในรูปอันนี้เองให้เห็นว่าเป็นของที่ไม่ใช่ตัวตน ทั้งๆ ท, ที่เราคิดว่ามันเป็นตัวตนพระองค์ทรงย้ำอีกครั้งว่ารูปังอนรูปังนิจจังวอาอนิจจังวาติรูปรู้มิดเที่ยงหรือไม่เทียงตังกิงมัญจาพิกเวรูรปังนิจจัวาวะอนิจจังวาติดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านจะสัมพันธ์ความข้อนี้เป็นชไหนว่ารูปนี้มันเที่ยมหรือไม่เทียม นี่พระองค์ก็ให้ท่านปัญจวัคคีศึกษาลงไปอีกให้ชัดเจนว่าเมื่อมันไม่ใช่ตัวตนแล้วมันก็ไม่เทียมพระองทรงย้ำลงไปอีกครั้งว่าตัดสมาถิหาภิกขุเวเพราะเหตุนั้นภิกษุทั้งหลายรูปตังอตีตังอนาคตังปัจจุบันนำรูปในอดีตอนาคตปัจจุบันสัพพังรูปตังรูปทั้งตัวเนตังมมะ เนโซหมัสม oh ิณะเมโซอัตตาติมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราและไม่ใช่ตัวตนเราเอวะเมตังยถาภูตังสัมมาปัญญาอเนตตะบังพึงพิจารณาตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบคําว่าพิจารณาตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบนั้นคืออุปจารสมาธิผู้ที่ได้อุปจารสมาธิแล้วก็มีกระแสจิต เมื่อมีกระแสจิตแล้วไปใช้กระแสจิตีพิจารณาดูตัวทุ์คือพิจารณาดูร่างกายอันนี้ให้เห็นว่ากายในอดีตกายในอนาคตกายในปัจจุบันพิจารณาให้เห็นชัดกายในอดีตก็นับแต่เรานี่หกสิบห้าสิบสี่สิบสามสิบยี่สิบสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งจกระทั่งอยู่ในคันมันดาเนี่เรีย ก, กว่ากายมันปริวัติแปรเปลี่ยนไปอย่างนี้ อนาคตังวากายในอนาคตจากบวกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบร้อยก็ตายแล้วพอตายแล้วมันก็ไม่มีลมหายใจก็เน่าเปื่อยแล้วก็ไปเผาไฟก็เป็นกระดูกไปนี่ก็เรียกว่าศูนย์สิ้นเรียกว่าอนาคตังวาปัจจุบันังวาก็พิจารณากายในปัจจุบันหรือพิจารณาในรูปอันนี้ด้วยว่า อายังโขมีกายโยกายของเรานี่แหละอุดทางปาทะตาลาเมื่องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอาโทโกเกสมัธกาเมื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปแต่จากริยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบจินโนเต็มไปด้วยขวงไม่สะอาดมีระการต่างๆอธิอิมสมิงกายเยมีอยู่ในกายนี้เกษา โลมานขคะท่านตาตาจอผมขนดับปนนำเนื้อเอ็นกระดูกเหล่านี้เรียกว่ากายในปัจจุบันเพราะฉะนั้นท่านปัญจวัทีทั้งห้าท่านไม่ได้ไปศึกษาอะไรอื่นท่านก็ศึกษาถึงรูปวันนี้ให้ชัดเจนเท่านั้นวิปัสนาของท่านก็พร้อมเมื่อพร้อมแล้วรูปปัศมิงตินิวินติก็เกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาความเบื่อหน่ายอันนี้เองที่เรียกว่าเป็นวิปัสสนาญาณ ในครั้งแรกที่เราพิจารณากายไปนั่นเป็นเพียงวิปั ส, สนาแต่ถ้าเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นเมื่อไรเมื่อนั้นก็เรียกว่าเป็นวิปั ส, สนาญาณก็เรียกว่าเต็มภาคภูมิแต่การที่จะทำให้ถึงความเป็นอริยบุคคล น, นั้นก็จำเป็นที่จะต้องมีเทียเร่าก่าเป็นอุปจาระอันนี้ แล้วก็พิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงจนความเบื่อ น, นั้นถึงจะได้ชื่อว่าเป็นอริยะสัจจะขึ้นคือเป็นของจริงขึ้นเรามองดูร่างกายนี้ก็มองไปแต่มันก็ยังไม่เกิดนิพพทาญาณความเบื่อนหน่ายขึ้นมาก็เรียกว่ายังไม่ถึงขัน้นเมื่อเราพิจารณาเห็นตาหา บ, บันติเมพิคเว ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสามุทัยควรละการละนั่นเรียกว่าเป็นผลมาจากเหตุเหมือนกันกับเราหับ เ, เหมือนกันกับเราหิวเมื่อเรารับประทานอาหารเข้าไปมันก็อิ่มความหิวก็ถูกละหายไปฉันใดก็ดีตันหาทั้งสามประการมีกามตันหาภวะตันหา และวิภาวะตัณหานั้นทั้งสามประการนั้นถ้าเราจะละมันโดยที่ไม่มีเหตุผลนั้นละไม่ได้ต้องสมเด็จพระภูมิพระภาคทรงยืนยันที่ท่านพระอัสสชิได้แสดงธรรมแก่ท่านพระสารีบุตรว่าเยธรรมาเหตุปะโวาเตสังเหตุุงตถาคตุ ทำทั้งหลายเกิดขึ้นจากเหตุทำทั้งหลายเหล่านั้นก็ย่อมจะต้องดับไปเพราะเหตุไปด้านนั้นก็จําเป็นที่จะต้องมีเหตุผลเพียงพอไม่ใช่คิดว่าอยากจะละก็จะละเอาเลยมันละไม่ได้เหมือนกันก็เราอยากจะได้ลูกทุเรียนลําไยสักลูกเรานึกเอามันก็ไม่สําเร็จมันจะสําเร็จก็ต่อเมื่อเรามีเงินไปซื้อเขา เหลือปลูกต้นมันขึ้นมันก็เป็นของเรานั่นแหละมันจึงจะสำเร็จได้เพราะฉะนั้นคำที่พระองค์ทรงตรัสว่าปหาตะ บ, บันติมเมพิกเวดูตอนพิสุท์ทั้งหลายส ม, มุทัยกวนละนั้นก็เช่นเดียวกันมันจะต้องมีเหตุผลพอนังที่ผู้ที่พิจารณาเห็นจริงแจ้งไปจากว่านี่มันไม่ใช่ตัวตนนี่มันไม่ใช่บุคคล นี่มันไม่ใช่เราใช่เขาเป็นเพียงธาตุทั้งสี่ดินไงเมื่อเป็นเช่นนี้การละก็มีเหตุผลสมควรแก่การละคือพิจารณาเห็นจริงแจ้งไปจักลงไปแล้วว่ามันไม่ใช่ตัวตนแล้วเราจะไปยึดถือทำไมนี่ก็เรียกว่าละเข้าไปในตัวการที่เขากล่าวว่า เออยากจะละเราก็คิดละเอาแล้วก็เรียนอภิธรรมเรียนอภิธรรมเรียนไปเรียนมามันก็ละได้เรียนไปเท่าไหร่มันก็ละไม่ได้ปริยัติธรรมนั้นเพราะฉะนั้นการปฏิบัตินั้นจึงจําเป็นที่จะต้องทําให้เกิดขึ้นจริงๆเืดินไนขึ้นมาจริงๆเห็นรูปจริงๆเห็นความตายจริงๆหลับตามองเห็นจริงๆอย่างนี้จึงจะเป็นการที่ถือว่าละได้ ข้อต่อไปที่พระองค์ทรงสแสดงว่าสัจจีราตะ บ, บันติเมภิกขเวดดูกานภิกษุทั้งหลายนิโรธควรทำให้แจ้งการทำให้แจ้งของนิโรธนั้นก็อยู่ที่จิตที่จรนาเห็นกายจริงแจ้งไปจักลงไปแล้วเมื่อเห็นกายจริงแจ้งไปจักลงไปแล้วนั้นความชัดเจนของการพิจารณานั่นแหละ ที่ทำให้เกิดความแจ้งขึ้นเพราะว่านิโรธนะควรทําให้แจ้งเราดับทุกข์ได้อย่างไรเพราะคนเหล่านี้มีอุปทานอยู่ห้าอุปทานด้วยกันเขาเรียกว่ารูปขันโทรูเรปเป็นอุปทานเวทนาเป็นอุปทานสัญญาเป็นอุปทานสังขารเป็นอุปทานวิญญาณเป็นอุปทานก็เรียกว่าอุปทานนักขันคืออุปทานห้า สิ่งที่เราจะกำจัดอุปทานออกไปให้ได้นั้นก็จำเป็นที่จะต้องมองเห็นให้ชัดเจนว่าอันรูปนี้มันเป็นธาตุสีดินน้ำไฟลมเท่านั้นมันไม่ใช่ตัวตนแต่อย่างใดถึงจะถอนอุปทานออกมาได้แต่ไม่ใช่ตัวตนที่ตรงไหนมีแต่กระดูกระเดี่ยวทั้งนั้นจิตมันก็ต้องถอนอุปทานมันก็เกิดวานสว่างขึ้น คำว่านิโรดนั้นคือแปลว่าความดับทุกข์การที่มีความทุกข์อยู่ก็เพราะว่าจิตนี้ก็ไปยึดถือเป็นอุปทานจึงเกิดความทุกข์ถ้าปล่อยอุปทานเมื่อไหร่ความทุกข์ก็ถูกดับไปก็เรจะ ก, กว่าดับสัจจิกาตะบันติเมพิคะเวดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายนิโรดควรทําให้แจ้งคือการดับทุกข์ควรทําให้แจ้งให้แจ้งที่ว่า เราไม่ได้คิดเอาเดาเอามีหลายพวกหลายหมู่หลายบุคคลที่พากันคิดเอาเดาเอาแล้วก็ว่าเป็นนิโรธแล้วก็ว่าเป็นอริยะซึ่งไม่ได้เป็นความจริงอย่างนั้นสักนิดแต่ว่าไปเข้าใจเอาอย่างนั้นเขาเรียกว่ากำลังจะเป็นวิปัสสนูปกิเลสวิปัสสนูปกิเลศนั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญยิ่งนัก ถ้าใครไปหลงวิปัสณูปกิเลสแล้วจะเกิดความลาช้าการดำเนินจิตนี้จะหลอกหลอนตัวเองขึ้นมาเพราะว่าวิปัสณูปกิเลสนั้นมันลึกซึ้งยิ่งนักมันมีความละเอียดยิ่งนักมันมีความของใสเลือกเกินในขณะที่บุคคลบําเพ็ญวิปัสสนานั้นในคนที่บาเพ็ญสมถะคือทำจิตเป็นคณิกะอุปจลละนั้น ก็มีความสุขอยู่ดอกแต่ว่าถ้าดำเนินวิปัสสนาแล้วความสุขมันจะเกิดมากกว่าสมถะนี้อีกถึงหนึ่งต่อพันถ้าเป็นเช่นนั้นขึ้นมาเนี่ยเราจะเกิดความหลงไหลอันตรงนี้แหละที่ท่านห้ามหนักห้ามหนาว่าเมื่อไปเจอตรงนี้แล้วอย่าพากันหลงไหลมันเพราะฉะนั้นนิโรธควรทำให้แจ้ง ทำให้แจ้งนั่นเลือกคัดจัดสรรเช่นอย่างเราไปเจอทองคาที่มันปนอยู่กับหินดินทรายอย่างนี้ไม่จำเป็นจะต้องไปกอบหินดินทรายเราก็เลือกเอาแต่ทองคามาเก็บไว้นี่ก็เรียกว่าสัจจิกาตปันติเมพิกเว์ดูกวามภิกษุทั้งหลายนี่โรธควรทาให้แจ้งถ้าหากว่า พูดที่ได้บังเกิดความละเอียดความสุขความซึ่งที่มีความวิเศษกว่าปกติถึงพันเท่าเช่นนี้จะไม่ให้หลงนั่นมันก็ยากคนทุกคนไปก็ต้องไปหลงกันนักที่ตรงนี้โดยจะพระอย่างยิ่งผู้ที่ไม่เข้าใจแล้วจะต้องบัญญัติขึ้นว่าเราได้สําเร็จชั้นนั้นชั้นนี้อะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้ล้วนแล้วแต่เป็นอุปท า, านทั้งนั้นแหละ ถ้าเราไปบัญญัติว่าเราได้ชั้นปฐมเราได้ชั้นทุติเราได้ชั้นตติเราได้ชั้นนั่นชั้นนี้อย่างนี้ไอความที่ไปเข้าใจนั่นอ่ะมันเป็นอุปทานไปเพราะฉะนั้นมันเลยกลับกลายเป็นกิเลสกิเลสอันละเอียดด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสวิปัสสนูปกิเลสสิประการเพื่อที่จะไม่ให้ผู้ปฏิบัติทั้งหลายนั้นต้องหลงไปตาม พาเวตะ บ, บันติเมพิกเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายมักควรเจริญให้มากเมื่อเรามองรู้เห็นหนทางแล้วเราก็ไม่นิ่งนอนใจต้องการจะให้พ้นทุกข์ในชาตินี้ก็พ้นไปเสลยถ้ยายามภาวิท โ, ทโตพูริกโตเจริญให้มากจะทำให้มากทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมองเห็นอย่างชัดเจนแล้วว่า มันเป็นหนทางที่บริสุทธิ์สเพสังขาราอนิจจาสเพสังขาราทุกขาสเพธธรมาอนัตตาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์ทำทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนอันนี้เกิด ข, ขึ้นขึ้นมาในจิตใจจริงๆอย่างนี้แล้วเมื่อเกิดขึ้นมาได้อย่างนี้ปรากฏขึ้นมาในจิตใจอย่างนี้นั่นแหละเรียกว่า วิสุทธิมัคโคเรียกว่าหนทางอันบริสุทธิ์หรือเรียกว่าทางตรงหรือเรียกว่าทางที่ถูกต้องแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้โอกาสที่จะทำจิตให้ถึงท่านพระอริยบุคคลนั้นก็ย่อมมาอยู่ใกล้มือที่ว่ามาอยู่ใกล้มือนั้นท่านบอกว่าในสถานที่แห่งนี้จะประชุมพร้อมไปด้วย นประชุมพร้อมไปด้วยกําลังคนสี่เรียกว่ากําลังกองทัพสี่กองทัพห้ากองทัพห้ากองทัพนั่นคือสตินเดริยงวิริยินเดรียงสตินเดรียงสมาธินเดรียงปัญญินเดรียังสตินเดริยงก็สรัทาเป็นใหญ่วิริยินเดริยงก็ความเพียรเป็นใหญ่สตินเดริยงก็สติเป็นใหญ่สมาธินเดริยงก็สมาธิเป็นใหญ่ ปัญญยินงเรียงก็ปัญญาเป็นใหญ่คำว่าเป็นใหญ่นี้ท่านทั้งหลายก็คงทราบแล้วว่าคือผู้ใหญ่ไม่ใช่เด็กเมื่อเป็นเช่นนั้นผู้ที่มีความเชื่อก็ย่อมที่จะต้องปักใจเชื่อลงไปแน่ชัดว่าการปฏิบัติที่เราจะทํานี้ถูกต้องแล้วไม่มีความสงสัยและผู้นั้นก็จะมีความเพียรที่ไม่ต้องให้ใครมาบังคับและผู้นั้นก็จะมีสติจดจ่ออยู่ที่ในกายพิจารณาเห็นจริง อยู่เสมอบุคคลผู้นั้นก็จะมีความสงบจิตมีอุปจาระเป็นประจำบุคคลผู้นั้นก็จะมีกระแสจิตสามารถที่จะเพ่งพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปนี่เรียกว่ากองกองคนใหญ่ห้ากองคนที่จะรวบรวมเป็นกำลังแล้วก็จะกําจัดกิเลสไปได้ในที่สุด ต่อไปนี้ก็นั่งสมาธิกันต่อไปอีกสักพัก